ชวิของพวกเรานี้มีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่สองส่วนด้วยกันคือหนึ่งร่างกายสองจิตใจรหว่างองค์ประกอบทั้งสองส่วนนี้จิตใจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญกว่าร่างกาย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 กับการขวนขวายกับการสแสวงหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเรอทั้งร่างกายและความอยากของจิตใจก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆตราบใดที่จิตใจไม่มีปัจจัยที่จะทำให้จิตใจนั้นอยู่อย่างมีความสุข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 การเวียนว่าตายเกิดของสัตว์โลกที่ยังไม่ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดนี้เป็นเวลาอันยาวนานภพชาตินี้เป็นจำนวนมากมายที่ไม่สามารถที่จะนับหรือประมาณได้พระพุทธเจ้าสรงให้เปรียบเทียบ ว, ว่าญาติอยากจะรู้ว่าภพชาติที่เราได้มาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี้ มีจำนวนเท่าไหร่ก็ให้ดูน้ำตาที่เราหลั่งมาในตาและพบแต่ละชาติเช่นชาตินี้ตั้งแต่เราเกิดมานี่เราร้องไห้หลั่งน้ำตามามากน้อยเพียงไรเราลองสะสมไว้ในภาชนะแล้วเราลองเอาเอาตัวเลขมาคูณ คือน้ำตาที่เราหลั่งในพบนี้ชาตินี้ถ้าคูณกับจํานวนพบชาติที่เรามาได้เกิดได้มาร้องห่มร้องไห้นี้ปริมาณน้ําตาที่เราจะได้จากการหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาติที่มารวมกันแล้วนี้มันจะมากยิ่งกว่าน้ําในมาหาสมุทรเองขอให้คิดดูว่ามันมากขนาดไหน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 พระพุทธเจ้าได้ทรงสร้างขึ้นมาแล้วในพระทัยของพระองค์แล้วก็ทรงสอนผู้ที่ไม่รู้ผู้ใดที่ฟังแล้วเกิดศรัทธาน้อมนำเอาไปปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วก็สามารถสร้างความสุขขึ้นมาที่ใจของเขาได้บุคคลเหล่านี้ก็กลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเรียกว่าพระอารหันตสาวก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 ทำอะไรได้ใจของเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะใจไม่ได้อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมืออีกต่อไปใจมีทำเป็นเครื่องมือทำที่ทำให้ใจนี้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไปตลอดอนอันตการทำเหล่านี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงนำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ สัตว์โลกทั้งหลายอย่างพวกเราที่ยังไม่รู้จักวิธีสร้างความสุขภายในใจกันลงสอนให้พวกเราสร้างทมเหล่านี้ขึ้นมาแล้วทมเหล่านี้จะผลิตความสุขให้กับใจของเราไปตลอดทำข้อแรกก็คือทานข้อที่สองก็คือศีลข้อที่สามก็คือภาวนานี่แหละเป็น ทำที่จะสร้างความสุขให้แก่ใจจะทาให้ใจไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นผู้รับใช้หาความสุขต่างๆให้กับใจอีกต่อไปอ่านนี้ท่านก็สอนแล้วว่ามีเท่าไหร่ก็สละไปให้หมดเพราะสิ่งที่เราสละก็คือสิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้เอง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 กล้ามเนื้อก็เลยอาจจะไม่แข็งแรงที่จะลุกขึ้นมาเดินได้ทันทีทันใดแต่ถ้าพยายามฝึกเดินไปเรื่อยๆพยายามอยากไปนั่งรถเข็นไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปกล้ามเนื้อของขาของแข้งแข็งแรงก็สามารถเดินได้อย่างสบายไม่ต้องใช้รถเข็นทนายทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่างๆนี่ก็เป็นเหมือนรถเข็นที่ใจอาศัย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 ไม่ต้องกังวลกับเรื่องเงินทองอีกต่อไปไม่ต้องมีเงินทองมาคอยหลอกล่อให้มาอาศัยเงินทองไปซื้อสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจนี่คือค ว, ความหมายของทานคือเป็นการตัดทางเดินของความอยากที่จะใช้เงินทองนี้ไปซื้อความสุขต่างๆผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกาย ไม่ได้ทำบุญทาทานเพื่อให้ร่ำให้รวยเพื่อให้ไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าแต่มันก็เป็นอ น, นิสงส์ที่มันก็เกิดขึ้นมาแต่มันไม่ได้เป็นอ น, นิสงส์ที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้มุ่งไปหาสอนให้ไปสู่การไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือในการหาความสุข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 ตัณหาความอยากนี่แหละเป็นตัวที่ปิดบังหรือกั้นความสุขที่มีอยู่ภายในใจให้โผล่ขึ้นมาถ้าเราสามารถทำลายตัณหาความอยากได้หมดความสุขที่มีอยู่ในใจมันจะโผล่ขึ้นมาเองเรามีความสุขอยู่ในใจอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เพราะเราถูกตัณหาความอยากนี่มันปิดบังเอาไว้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 ถือศีลแปดนี่เพื่อตัดทวารทั้งห้าไม่ให้ความอยากมันออกไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเเช่นศีลพอสามก็ให้เป็นอบรมจาริยาคือถือศีลพรหมจรรันทร์ไม่หาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนดรวยกับใครก็ตาม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 พอร่างกายได้รับอาหารพอเพียงต่อการดำรงชีพไปอีกหนึ่งวันได้แล้วอย่างสบายไม่เดือดร้อนแล้วก็มาหยุดความอยากที่จะไปหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายกลับมหาห่อรสพและเครื่องบันเทิงต่างๆและหาความสุขจากการเสริมสวยเสริมความงามของร่างกายสอง ด้วยการแต่งหน้าแต่งตาใช้น้ำมันน้ำหอมใส่เสื้อผ้าอาพอรที่วิจิตพิสดารอันนี้ก็เป็นการล้อมคอบตันหาความอยากที่เรียกว่าการมาฉันทะนี่ความอยากในการทั้งห้าการมาคุณทั้งห้าก็คือรูปเสียงกลื่อนลดผลถะพระนี่คือหน้าที่ของศีลเป็นกำแพง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 ฉันใดถ้าเราอยากที่จะผ่ากิเลสออกจากใจของเราเราก็ต้องวางยาสนบเสียก่อนเพื่อให้ใจสงบใจไม่ดิน้นสิ่งที่จะทำให้ใจสงบใจไม่ดิน้นนี้ก็คือสติเราต้องเจริญสติวิธีเจริญสตินี้ก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันกรรมฐานสี่สิบนี้ก็เป็น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 เอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือให้บริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆใจก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เป้าหมายก็คือต้องการหยุดความคิดเราจะใช้วิธีจริญสติวิธีไหนก็ได้แต่เป้าหมายเหมือนกันเป้าหมายก็คือต้องการให้หยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆบางท่านอาจจะชอบใช้มรณาสติ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 พอเวลาใจสงบนี้ก็เหมือนกับฉีดยาสลบหรือดมยาสงบให้กับกิเลสตัณหานี่เองกิเลสตัณหาก็จะหมดกำลังไปเวลาใจสงบนี้ใจจะมีความสุขมากเพราะกิเลสตัณหานี้ไม่ได้ทำงานแล้วหยุดทำงานผู้ที่ก่อกวนสร้างทำลายความสงบนี้ก็คือตัณหากิเลสนี่เองเหมือนกับคนไม่ดีคนชั่ว ที่มาสร้างความไม่สงบให้แก่บ้านเมืองเราบ้านเมืองเรานี้ถ้ามีแต่คนดีนี้บ้านเมืองจะสงบจะไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องมีราวาต่างๆที่มีเรื่องมีราววุ่นวายกันนี้ก็เพราะคนไม่ดีนี้เองคนไม่ดีเป็นผู้ทำลายความสงบของสังคมต้องกําจัดคนไม่ดีถึงสังคมถึงจะสามารถอยู่กันได้อย่างปกติสุข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 ใจของเราถ้ามีสติคอยกำจัดกิเลสตัณหาคอยยับยัง้งหยุดกิเลสตัญหาพอกิเลสตัณหาถูกคิดถูกสติยับยั้งได้ใจก็จะสงบเย็นสบายมีความสุขเมืพอเรามีความสุขแล้วใจของเราก็จะสู้กับกิเลสตัณหาได้เวลาที่กิเลสตัณหาฟื้นจากยาสลบ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 เป็นความสุขเลี้ยงจิตใจตเราจะรู้ว่าถึงแม้เราไม่ได้ทําตามความอยากเราจะไม่เดือดร้อนเพราะเวลาเราอยู่ในสมาธิเวลาที่จิตสงบไม่มีความอยากเรากลับมีความสุขมากกว่าตอนที่มีความอยากเสียอีกแล้วเราจะไปมีความอยากทําไมความอยากมันเป็นโทษมันไม่ได้เป็นคุณกับใจเลย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 เช่นร่างกายต้องการน้าก็หาน้ามาน้ำ ป, ป่ามาให้ดืม่มก็พอไม่จำเป็นต้องเป็นเครื่องดืม่มชนิดต่างๆมีสีมีรสมีกลิ่นเพราะนี่มันเป็นความอยากทางกามอารมณ์สีรสกลิ่นนี่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผทพะเป็นกามคุณห้านี่เองนี่คือวิธีที่เราจะสามารถสร้างความสุข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 เพราะใจไม่มีความอยากใจมีความสงบตลอดเวลาพระพุทธเจ้าภาษาวอกท่านถึงเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อพักผ่อนอริยาบทของขันธ์เท่านั้นไม่ได้ทําอะไรเพื่อจิตใจเพราะจิตใจไม่ต้องทําอะไรให้แล้วจิตใจมีความสุขวัลังสุขขังอยู่ตลอดเวลาแล้วแต่ยังมีขันธ์อยู่ที่ต้องคอยดูแลอยู่เช่นร่างกายก็ยังต้อง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 เพรความอยากที่จะใช้เงินทองมันจะน้อยลงไปตามลำดำับจนในที่สุดก็จะไม่มีเหลืออยู่ก็จะสามารถจละเงินทองทั้งหมดไปได้หมดเลยแล้วจะได้มีเวลามาสร้างความสุขด้วยการรักษาศีลแปดด้วยการภาวนาต่อไปจึงขอให้พวกท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิศพิจารณาและปฏิบัต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 อิทีตังปฏติตังตุมหังคิปาเมวะสมิจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปันะระโสยธาเมนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาธนสิลิสะนิจังุทธาปจายโนยัตารารุธรรมวะทานติอายุวนโนสุขังภาลางังต่อไปนี้ก็จะเป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดยอยากจะถามปัญหา ก็ขอเชิญขึ้นมาถามผ่านทางไมโครโฟนด้วยเพราะจะได้ยินคำถามอย่างชัดเจนถ้าไม่มีใครก็จะให้คำถามทางบ้านที่ผ่านถามผ่านทางอินเทอร์เนต็ตมาต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านนะคะคำถามแรกจากคุณออย ญาติผู้ใหญ่ที่นับถือเปรียบเหมือนบิดาได้ลาจากโลกนี้ไปแล้วทาทั้งที่ทราบว่ากายตายไปใจไม่ตายแต่ก็ยังรู้สึกเศร้าใจและโหดหู่จะทําอย่างไรให้ใจแข็งแรงเจ้าคะยังรู้สึกว่าเสียดายที่เขามาด่วนจากไปในเบื้องต้นก็ต้องทําใจให้สงบก่อนเพราเวลาใจไม่สงบนี่ กิเลสตัณหายังมีกําลังความหดหู่ใจนี้ก็เกิดจากความอยากเกิดจากกิเลสตัณหานี้เองเพราะเวลาที่ใจสงบแล้วนี่อาการอะไรต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้จะหายไปหมดดังนั้นผู้ที่จะ อ, อพิจารณาทางปัญญาได้อย่างมีเหตุมีผลไม่มีอารมณ์หดหู่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 ทำให้ใจไม่ทุกได้ความปัญญาที่เราได้จากการได้ยินได้ฟังหรือจากการระลึกอยู่เรื่อยๆนี้ยังไม่มีกำลังพอที่จะดับความทุกความไม่สบายใจเช่นความหดหู่ใจนี้ได้จำเป็นจะต้องมีสมาธิก่อนมีสมาธิเพื่อจะได้มีอุเบกขาเมื่อมีอุเบกขาแล้วเวลาออกจาก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 ถ้บดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มมันสักพักหนึ่งลงโทษมันถ้ามีมาตรการลงโทษแล้วมันก็จะมีความเข็ดหลาบตามมาถ้าทำผิดแล้วไม่ต้องไม่ต้องลงโทษมีการให้อาภัยอยู่เรื่อยๆทำผิดแล้วก็ให้อาภัยเดี๋ยวก็กลับไปทำใหม่เพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะมาทำให้เกิดความรู้สึกเข็ดหลาบเนือ่อนเขาถึงต้องจับคนเข้าคุกเข้าตารางไม่ใช่พอใครทาผิดก็อาภัยโทษเลย ยีบ้านเมืองก็ทําทําความผิดกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดนยังไม่ต้องไปกังวลกับคนที่เราไปทําผิดเราไปขอขามาก็เพื่อแสดงความคารวะความเสียใจที่เราได้ไปทําความผิดกับเขาถ้าจะดีเราควรจะชดเชยเขาได้ยิ่งดีใหญ่ถ้าเราไปทํำลายสิ่งใดที่เราสามารถชดเชยความเสียหายให้กับเขาได้เช่เนไปชนรถเขาให้พังยับเยิน เราก็ไปซื้อรถใหม่ให้เขาใหม่เออไม่ใช่ไปขอเข้ามาแล้วก็รถเขาก็พังยับเยินอยู่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าอยากจะให้เขาให้ขอให้อภัยเราก็ซื้อรถที่ดีกว่าเก่าเลยรับรองได้มันขาจะให้อภยัยคำถามต่อไปจากคุณขอถึงพระธรรม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 แต่างองค์ที่ท่านไม่มีเช่นบินตะบาทในกรุงเทพเนี่ยมันมีปัญหาเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเดินแบบต่างจังหวัดเดินเป็นสายไปแล้วก็ชาวบ้านก็จะใส่ให้ทั่วถึงหรือว่าถ้าไม่ทั่วถึงก็ที่ได้มาก็เอามาแบ่งกันที่วัดได้แต่ว่าในกรุงเทพนี้จะเป็นตะบาทแบบตัวใครตัวมันใครออกไปเดินเดินผิดที่ไม่มีใครใส่ก็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 แจกอาหารสายบาทแล้วท่านไม่ให้เริ่มแต่จากหัวแถวลงไปบางบางท่านให้เริ่มจากทั้งหัวแถวทั้งปลายแถวขึ้นมาเพื่อมันจะได้อทั่วถึงกันเพราะถ้าเริ่มจากหัวแถวนี่หัวแถวมันจะเต็มพอไปถึงปลายแถวบางทีมันหมดก่อนไปไม่ถึงปลายแถวงั้นถ้าให้เริ่มทั้งสองสองสองด้านคือเริ่มที่หัวแถวด้วยเริ่มที่ปลายแถวด้วยมันก็จะมันก็จะทําให้ พอเพียงหลวงตาท่านสอนเสมอว่าเรื่องการแจกอาหารนี่ต้องพอเพียงไม่ไม่จําไม่ให้ถือพรรษาไม่ให้ถือว่าเป็นใหญ่ต้องกินก่อนต้องได้มากก่อนเอเพราะท้องเหมือนกันท้องเท่ากันมีความจําเป็นต้องการอาหารเหมือนกันอไม่เกี่ยวกับพรรษาที่พรรษานี่ก็เพื่อแสดงความเคารพเพื่อปามความมุมมามของกิเลสตันหาเท่านั้นเองจึงให้นั่งตามลําดับพรรษาะ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 แต่ลูกทนมาหลายปีแล้วมาได้ทุกปีปกติเขาทุดงกันแต่ในป่าแต่นี่ลัที่ใหม่ทุดงกันในป่าคอนกรีตอันนี้คำตอบมันก็มีอยู่ในตัวของมันแล้วคำถามตอ่อไปจากคุณนิตา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 อารมณ์ของเราอยู่นี้ไม่ช้าก็เร็วก็อาจจะกลายเป็นคนบ้าไปก็ได้ดังนั้นอย่าไปโทษการปฏิบัติธรรมว่าทาให้คนเป็นคนบ้าคนเป็นคนบ้าเพราะว่าบ้าอยู่แล้วเพราะไม่มีสติตตางแล้วก็ไปปฏิบัติตามอารมณ์ของตนไม่ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าถ้าปฏิบัติตามหลักธรรมคาสอนของพุทธเจ้าแล้วนี้จะไม่มีวันเป็นบ้า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 จำเป็นไหมครับถ้าเรามีโอกาสที่จะไปปฏิบัติธรรมแบบอยู่กับป่าช้าหรืออยู่กับศพเพื่อความตายและถ้ามีโอกาสเราควรไปทำอย่างนั้นไหมครับคือการปฏิบัติีนมันเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเรายังไม่อยู่ขั้นนั้นเราก็ยังไม่ต้องปฏิบัติถึงขั้นนั้นเหมือนกับเรียนหนังสือถ้าเราอยู่ขั้นอนุบาลเราก็หัดนับหนึ่งสองสามกไก่ขอไข่ไปก่อน เรายัางไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการแต่งกรหรือแต่งนิยายไว้รอให้เราพัฒนาขึ้นไปสู่ระดับนั้นก่อนแล้วเราค่อยไปแต่งกรแต่งนิยายฉันใดการไปรเยี่ยมป่าช้านี่ก็เป็นระดับสูงระดับวิปัสสนาถ้าเรายังไม่ได้ผ่านสติผ่านสมาธิยังไม่ได้รักษาศีลได้ควรจะทำในส่วนที่เราทำได้ก่อนคนที่ต้องทาก่อน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 พราถ้าเราไปกังวลเราก็จะเสียสติเสียสมาธิจะไม่ได้เจริญสติจะไม่ได้ดูรม่มจะไม่ได้พุทโธจะมัวแต่ขยับร่างกายเอ่มันงอยแล้วเอาตั้งอหไมันตรงบางทีนั่งแล้วรู้สึกว่ามันเอ็นไปทั้งข้างหน้าก็ถอยมันมาพอถอยมากเกินไปก็คิดว่าต้องเอ็นไปข้างหน้าเอ็นไปทางซ้ายเอ็นไปทางขวามันอะไรๆไม่ได้ภาวนามันมีแต่มานั่งปรับร่างกายผลก็จะไม่เกิด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 เราต้องการต่อสู้กับกัรหาความอยากความอยากนี่เป็นตัวที่จะพยายามดึงให้เราออกจากการนั่งสมาธิงั้นถ้าเราสู้กับความอยากได้ชนะความอยากได้ต่อไปเราจะนั่งนั่งอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้ที่เรานั่งไม่มีความสุขเพราะความอยากมันดิน้นมันอยากจะไปทํานูน่ทนทํานี่ดูนั่นดูนีกนนน่กินนู่นกินนี่มันก็เลยนั่งเฉยๆไม่ได้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 สพราคู่ครองของข้าพเจ้ากลัวว่าจะเละถ้าใช้ชุดเดิมมาบริหารเดี๋ยวของส่วนรวมจะเสียหายการกระทำของเราเนี่ไม่ควรจะตั้งเป้าไว้ที่ผลภายนอกเราควรจะตั้งเป้าอยู่ที่ผลภายในก่อนคือทำเพื่อให้เรามีความสุขใจเช่นการเสียสละรับใช้สังคมเนี้ยทำแล้วเราจะมีความสุขใจ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 เราก็จะพลาดเป้าพลาดเป้าไปเป้าที่แท้จริงของการทำนี้เพื่อทำให้ใจเราสงบถ้าเราคิดว่าเราทาแล้วมีปัญหากับบุคคลต่างๆเร า, าก็อย่าไปทำมันดีกว่านั่งอยู่บ้านนั่งพุทโธพุทโธไปจะดีกว่าจากท่านเดิมนะคะภรรยาทำงานจิตอาสาเป็นผู้บริหารองค์กรเพื่อสังคมอยู่องค์กรหนึ่ง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 ไม่ได้ทำตามความอยากของเราไปเพียงอย่างเดียวเราต้องดู เ, เวลาที่เกิดความอยากแล้วไปไปสร้างความทุกข์ความสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเองหรือไปสร้างปัญหาหกับให้กับผู้อื่นเราก็ต้องรู้จักถอยออกมาหยุดมันบางทีเราทำไปบางทีกิเลสตันหามันก็มาขอร่วมด้วยมันก็เลยทำให้เกิดเป็นปัญหาตามมาได้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 ไม่เป็นไรแผ่เมตตาไม่ต้องไปตีเขานั่นะอยู่ยเฉยเดี๋ยวเขาก็ไปเขาก็อยากจะมาฟังธรรมมั้งห <c ười> มดคำถามจากทางบ้านค้าหลวงพอ่อก็หมดพอดีทางนี้มีใครอยากจะถามไหม เรียนถามพระอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะใกล้ๆไหนพูดใกล้ๆไม่เยค่ะเมื่อกี้พระอาจารย์บอกว่าโรคความจําไม่ดีอะค่ะหมายพราะว่ามันเกิดจากการขาดขาดสติอ่ะค่ะคราวนี้ตัวส่วนตัวคิดว่าอย่างโรคอัลไซเมอร์เองก็อาจจะเกิดจากกรรมเก่าที่ที่เคยทํามาก็ได้เจ้าคะ่ะใช่ไหมคะพระอาจารย์เกิมันจะเป็นเหตุอะไรถ้าเราไม่รู้กไม่ต้องไปกังวลกับมัน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 เราก็จะขาดสติไปเลยจังอ๋อไม่เกี่ยว <c oughs> ความจํำกับสติคนละเรื่องกันสติก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมความจํานี้ไม่ได้เกิดจากการเผลอสติหรือไม่มีสติครูบาอาจารย์ท่านก็บอกท่านก็จําจำไม่ได้หลวงตาบางทีท่านบอกท่าก็ลืม <c oughs> อันนี้เป็นเรื่องของสัญญาเป็นขันไม่ใช่เรื่องของใจใจมีสติใจก็สักแต่ว่ารู้ไปเรื่อยๆรู้ว่าจําไม่ได้ก็จําไม่ได้เฮ้ยเมื่อกี้กินยาหรือเปล่า จะนลิกไม่กินก็ไม่รู้จาไม่ได้ก็ช่าหัวมันฮะ <Okay. S 1> ไม่ไม่เกี่ยวกัน oh, <okay. S 1> ใจยังรู้ว่าอะไรเป็นเหตุของความทุกข์อะไรเหตุของความสุขอยู่เวลาจะเกิดตัณหาขึ้นมาก็ยังหยุดมันได้อยู่ไม่ลืมเนี่ยมีคนถามว่าพ้าหลานนี่ลืมได้ไหมท่านก็ตอบว่าลืมได้บางทีก็จําชื่อไม่ได้จําวันไม่ได้ทําอะไรไปแล้วบางทีก็ลืมเนี่ยพ้าหลานก็เป็นก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน แล้วก็ถามว่ามีอะไรที่พาาระอรหันต์ไม่ลืมไหมมีอะไรถ้าบอกสัจจะทำก็คืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันนี้ไม่มีวันลื ม, มเพราะมันเป็นความจริงมันไม่ได้เป็นความจําท่านเห็นกับมันชัดเจนอยู่ภายในใจตลอดเวลาเวลาตัวไหนโผล่ขึ้นมาท่านจะรู้ทันทีเวลาตัณหาโผล่ขึ้นมาท่านรู้ทันทีว่ามาแล้วความทุกข์มาแล้วท่านก็ใช้ปัญญาหยุดมันได้ แล้วไม่ต้องกลัวความจำไม่เกี่ยวกับเรื่องติเรื่องปัญญาอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะถ้าถ้าเราสมนั่งสมาธิจนถึงอัปปนาสมมติว่าได้หนึ่งครั้งแล้วนี่ถ้าต่อไปยังไม่ได้ก็คือก็ยังไม่ไม่ใช่อัปปนาจริงใช่ไหมเจ้าค่ะก็ก็จริงแต่เพียงว่าจริงครั้งเดียวก็ต้องพยายามทําบ่อยๆให้มันจริงหลายๆครั้งเหมือนยิงปืนครั้งแรกมันเข้าเป้าไง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 ไม่ไม่ไมอทุกอย่างมันก็ต้องอาศัยความชำนาญเออทำไปเรื่อยๆมันก็จะชำนาญมากขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อค้มีใครอยากระถามอีกไหมเพราะถ้าไม่มีจะน้ำหนึ่งสองสามถอยหลัง <c oughs> <c oughs> แต่อย่างนั้นก็คิดว่าปอสมควรแก่เวลา